คำสอนทางทางสายของพระปฏิบัตินี้จะเป็นเป็นคำสอนที่ออกมาจากเชิงปฏิบัติมากกว่ามาจากเชิงทฤษฎีนั้นเวาอ่านไปนี้เหมือน น, นได้ปฏิบัติได้ความเทศไปสดๆร้อนลแล้วราถ้าเราพิจาณาแล้วเราเกิดความเข้าใจนราก็จะ คลา ย, ยความสงสัยไปได้มีความเห็นที่ถูกต้องได้ก็บรรู้ธรรมได้ยังไม่แน่เ น, นะ่เตรียมตัวเตรียมใจไว้เตรียมไว้เจ็ดวันต้องบวชเ น, น, นี่ยไม่ได้ยินว่าเขาพูดนะก็ว่าถ้าอินว่าเราบรรลุเั็นพระอรหตแล้วต้องบวชภายในเจ็ดวันม่งั้นต้องตาย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 ที่ทรงตัเดเย็บด้วยพระ อ, องค์เองพระองค์ก็ไม่ทรงรับทรงบอกว่าให้ถวายเป็นสังฆทานคือให้ถวายเป็นของสงไปคืน<ม>ไม่เจาะจงพระผู้ใดผูห้หนึ่งให้สยเป็นผู้พิจารณาว่าผู้พระรูปใดที่ขาดแคลนหรือเหมาะสกับผ้าก็ควรจะมอบให้กับพ้ารือนนั้นเพราะพระองค์บอกว่าถ้า ถวายให้กับพระ อ, องค์เวลาพระ อ, องค์เสื่อไปก็จะอาจจะไม่มีสงฆ์ทั้งทุกคนคอยแต่ทํานุบำรุงแต่พระพุทธ อ, องค์เพียงองค์เดียวส่วนพระสงฆ์ อ, องค์เจ้าลูกอื่นก็จะไม่ไม่ดูแลท่านไม่เี้ยงดูท่านอุปถัมภ์ท่านก็จะไม่มีผู้ผู้ที่ระ บ, บุญสละของทุกอย่างจะขาดแคลนลงเลย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 อย่างที่เราถวายผ้ากะถินนี่ก็ไม่ได้ถวายเจาะจงกะถินนี่ก็เป็นสังฆท า, านเวลาเวลาถวายนี้จะต้องมีพิธีอุปโลกหรคือตระสงฆ์จะต้องปรึกษากันว่าผ้าผืนนี้ที่ได้ามา น, นี้ควรจะให้พระรูปใดโดยธรรมเนียมส่วนใหญ่ก็จะให้พระผู้ใหญ่ที่เป็นหัวหน้า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 เป็นกรณีกรณ er ีแต่แต่ถ้าโดยทั่วไปก็ถวายเป็นสังฆทานเช่นวัดป่านี่ส่วนใหญ่เป็นสังฆทานดังนั้นแต่เราเพียงแต่ว่าเราไม่ได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายอย่างที่เราจะเห็นกันตามวัดอือ่นๆจะต้องมีพระมานั่งอย่า ง, งน้อยสี่รูปแล้วก็มีการกล่าวคำสคำถวายสังฆทาน เื่อรับสังฆทานนะพระก็จะต้อง อ, อุปโลกสังฆทานถึงจะเสร็จพิธีหคือพระจะต้อง อ, อุปโลกนี่หมายถึงแจ้งให้พระรูกอื่นได้ทราบว่าได้มีทานเกิดขึ้นในท้ำการสงแล้วแล้วก็ขออนุ ญ, ญาตเอาไปจำหน่ายจ่ายแจกให้กับพระทุกลมโดยให้พระเทยระผู้ใหญ่เป็นผู้พิจารณาก่อน แล้วก็เริ่มไปตามลําดับจนถึงพระบูตสุดท้ายถ้าไม่บุปประโลงเอาไปใช้ก่อนท่านก็จะกลับอาบัติเพราะว่าทําผิดกฎระเบียบหมายคถาว่ารับแตแล้วก็มุกมีดเก็บเอาไปใช้เป็นของส่วนตัวอย่างนี้เป็ต้นตแต่ของที่ถวายนี้ไม่จําเป็นจะต้องอยู่ในกระป๋องไม่ต้องมีกระป๋องสีเหลือง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 ผู้บรรลุธรรมถึงแม้ยังมีคำสอนอยู่แต่ผู้ที่ไม่บรรลุธรรมนี่เวลาอ่านคำสอนนี่จะแปลไปอีกอย่างจะมองไปอีกอย่างจะกับเห็นผิดเป็นชอบไปจะหลงผิดหลงทางมากดังั้นการการที่เราจะปฏิบัติแล้วอ่านนังสืออย่างเดียวนี้จะยากและจะไม่โอกาสที่จะไปไม่ถึงจุดหมายปลายทางเลย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 ต้องอยู่ในสถานที่ที่ยัดยูไม่ชอบอยู่กัน<ม>เพราะเป็นสถานที่ที่กิเลสไม่ชอบอยู่นั่นเองไม่ชอบไปนั่นเอง<ม>ก็คือตามตามป่าตามเขาตามสถานที่ที่มีภัยต่างๆพอเมื่อเราอยู่ในสถาน<ม>ที่แบบนั้นแล้วเราก็จะได้ค่ากิเลส<ม>เช่นความรักตัวกลัวตายนี้ก็เป็นกิเลสแบบนึ่งหรือความชอบในรูปเสียงกลิ่นรส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 เช่นจีวรบากรนีร้เป็นต้นแล้วก็ไปอยู่ในสภาพที่ร้างแคนสภาพที่ไม่มีอะไรไม่มีโทรัทัศไม่มีวิทยุไม่มีเครื่องอำนวยความสุขต่างๆทางมุสีทางตาหูจมูกน่างกายแล้วดูซิว่าจะอยู่ได้ไหรือไม่และมีความสุขได้ไหรือไม่้าอยู่ได้มีความสุขได้ก็ถือว่าใช่ได้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 ได้หลุดพ้นจากความทุกข์และจะทำให้เราได้ช่วยสธธืบทอดพระพุทธศาสนาให้มีอายุยืนยาวนานขึ้นไปอีกก็คิดว่าสมควรแก่เวลาก็ข อ, อรืุ่ในเช่นเคยกันวันนี้เปลี่ยนที่กันนะคนมาเยอะที่เก่าเลยเดีนะ๋ยวพีเจนจะออกไปอดจะถาม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 ถ้ามันไม่กลัวแล้วมันก็เป็ น, ม, น, ปนมันก็เป็นมันก็เป็นมรรคแล้วไม่ว่าเป็นวิมุตติแล้วถ้ามันยังไม่ใจมันยังสงสยัยยังรังเลยอยู่ยังยังก็ยังเป็นยังไม่เป็นวินมุตติมันก็ยังมีสมุทยยัยเพราะเรายังอาจจะไม่ได้ไปเข้าทดสอบในห้องสอบจริงๆเรายังไม่ได้เจอเกัาร ท, ที่เป็นเป็นอะไรก็ เ, เลย ใกล้เป็นใกล้ตายเลยเง้ยเวลาอาจจะต้องจำลองสถานก า, ารณ์มันไปอยู่ในปาไปอยู่ในป่ า, ปอปาตอนคืนก็ลองออกไปเดินในป่าดูตามเมืองผ่เราดูเสว่าใจในวามกลัวหรือไม่ถ้าเดินรู้สึกว่าไม่มีความกลัวแต่ยังเดินใช้ไฟอยู่ก็ลองปิดไฟด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 ถ้ามีธรรมะโอสวยแล้วก็จะไม่กลัวความเจ็บไข้ได้เกิงและไม่กลัวความตายถ้าจาะยาแก้กโกรธนะคะแบบเดียวกันยาแก้กโกรธก็แบบเดียวกัน <c oughs> ก็คือมกอักไม้เหมือนกันอขอรูปธรรมคื อ, อยาแก้ไม่ให้ไม่ให้กลัวตาย<ม>คือเราต้องขันเรื่องของความเจ็บโกรธ<ม>แล้วถ้าจะฝึกเรื่องไม่ให้กโกรธนะฮะก็ให้เขาดา่าเรา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 ถ้าคอย่างนี้มันก็จะไม่งได้มันก็จะไม่โกรธก็ต้องไปเกิดต่างไงลอาไปเกิดดูแต่ต้องให้รู้นะว่าความโกรธนี้มันเกิดมันมันเกิดจากความอยากเช่นเราอยากให้เขาดีกับเราใช่ไหมเราเขาไม่ดีกับเราเราก็เกลียดเขานล้แต่คนอื่นทํำไมเราไม่โกรธเา้าคนอื่นที่เขาไม่ดีกับเราเพราะเราไม่ได้ไปอยากให้เ้าดีกับเรา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 ตามมาด้วยทั้งนั้นถ้าเรารู้อย่างนี้เราก็จะไม่อยากได้อะไรจะไม่อยากให้ใครเขาชอบเรานีดีกับเราเฉยเฉยเฉยดีก็ได้ไม่ดีก็ได้จะด่าก็ได้จะชมก็ได้อย่างนี้แล้วก็จะไม่โกรธถ้าอยากให้เขาด่าเราถ้าเขาไม่ดาา่าเราก็เสียใจยเหมือนกันนะถ้โกรธได้เหมือนกันนะปูาจ่เตรียมตัวไว้ให้ดา่าก็ไม่ดา่า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 แต่ด้ช้าหีืแกไม่ได้เลยก็มีอาจจะต้องใช้เวลาศึกสาไปเรื่อยๆก่อนก็คืวงไว้ไก่อนเลยเด็กคงไปยุ่งของมนันก็เข้าสมาธิไปก่อนอพักจิตก่อนทำใจให้สบายก่อนใจสบายแล้วกลับมาดู <c oughs> ทีก็อาจจะเห็นก็นได้ ค, <c oughs> คนหนึ่งฟังเข้าใจไหม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 แต่ถ้าเราศึกษาวิธีข้ามปัญหานี้ไปได้ต่อไปเรามากี่ครั้งเราก็สามารถที่จะข้ามจุดนั้นไปได้เพราะฉะนั้นถ้าจะใช้ทางปรรัญญาทางศาสนาหนึ่ง ม, มันก็ต้องเข้าไปที่ใจลักเข้าไปเห็นว่าเราไปหลงไปยึดไปติดไปอยากกับเขาเองต่างหากอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อยากให้ได้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ขึ้นมา พอไม่ได้ก็เกิดความทุกข์ mm. เกิดควา ม, มวุ่นวายใจยมาก็เลยอ่ะไม่ได้ก็ไปทําอย่างอื่นถ้าคิดอย่างนี้มันก็ไม่จะไปแก้ตัวนาเพราะว่าเดี๋ยววันหลังกลับมาเจอปัญหาเดิม น, นี่ mm. ก, ก็ก็จะมติดอยู่นั่นเี่น mm. เราติดปัญหาอยู่กับคนเนี้ยเดี๋ยวถ้าคนนี้เทย์ลแล้วไม่สบายใจที่คือเนี่ย mm. จะแก้ยังไ mm. ง mm. ก็ต้อง mm. พิจารณาจนเห็นว่าเขา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 ว่ามันเป็นอย่างนั้นแหละเขาเป็นอย่างนั้นถ้าเราไม่มีความอยากที่จะให้เขาเป็นอย่าง อ, างอื่นเราก็จะไม่ทุกข์ความทุกข์ของเราเกิดจากความที่เราอยากจะให้เขาเป็นอย่าง อ, างอื่นไม่ได้เป็นอย่างนี้เช้นผมเรานี่ยนะทีขาวไปหมดเลงถ้าอยากจะให้มันดำเนี้ยก็จะทุกข์ขึ้นมาแต่ถ้าช่างมัน่ะขาก็ขาวอานี้มันก็จะไม่ทุกข์ แต่ก็ไม่ต้องย้อมไปตลาดชีวิตแต่คนที่ยังยอมอยู่ก็ต้องย้อมไปเรื่อยๆอายุเจ็ดสิบแปดสิบก็ยังย้อมอยู่เพราะเขาไม่ยอมรับผมสีขางของเขาว่าเห็นเราจะเกิดความ ท, ทุกข์ใจขึ้น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 ถ้าไม่มีความอยากนั้นแล้วความเจ็บความทรมาร์ใจนี่จะหายไปหมดเลยเนความเจ็บของร่างกายก็จะไม่ไม่รุนแรไม่รู้สึกรุนารต่อใจเพราะที่มันวุนแายที่ทนไม่ได้ก็คือความทุกท์ทรมาร์ใจที่เกิดจากความอยากให้ความเจ็บนั้นหายไปพอเราระงับตัวนี้ได้แล้วร่างกายจะเจ็บขนาดไหนก็ไม่เป็นปัญหาจุดตั้งคือจุดเดียว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 ต้องต้องไได้ยอย่างไาั้นย่าคืออ่านในสิ่งที่เราไม่ชอบจนกว่าเราจะไม่คิดอะไรกับมันเลยใช่เช่นเราไม่ชอบพิจารณาความตายอย่างนี้เราต้องพิจารณาเลยถ้าเราไม่มีความรู้สึกอะไรกับความตายต่อไปแล้วสิ่งที่เราชอบก็คือพิจารณาเรื่องการเที่ยวอย่างนี้ก็อย่าไปพิจารณาอย่าไปคิดถึงเรื่องเที่ยว<ล>มันจะได้ไม่เที่ยวต่อไปมันจะได้ไม่เที่ยว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 สูญเสียบุคคล น, นั้นบุคคล น, นี้งานการตำแหน่งอะไรต่างๆและในที่สุดก็สูญเสียชีวิตร่างกายของเราไปเนี่ยคือสิ่งที่เราชอบเป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงสอนม่ให้เราให้เราไม่ให้ชอบเลยร่างกายเราก็อย่าไปชอบมัอย่าไปรักมันอย่าไปอยากให้มันอยู่นงาบๆ่อยให้มันอยู่ไปตามอัตภาพของมันเมื่อถึงเวลาที่มันจะไปก็ปล่อยมันไป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 ถารสังฆทานหน่อยนะะเอออย่างสมมุติเวลาเราถ้าสมมติว่าจะถวายปัจจัยท่านอาจารย์เนี้ยแล้ต้องการให้เป็นสังฆทานนี่เราต้องแจ้งจิตนาญนี้ะหรือว่าแค่แจ้งหรือคิดว่าท่านอาจารไปทําอะไรก็ได้หรือว่าถวายแล้วท่านอาจารย์ทอะไรก็ได้ก็ถือว่าเป็นสังฆท า, านแล้วก็แล้วแต่ผู้ถวายอยากจะถวายยังไงก็ถวายได้<ม>จะถวายสังฆท า, านก็บ่งไว้ว่าถวายเป็นสังฆท า, านก็ต้องแยกเอาไปให้อีกอีก อ, ก อ, กองเข้าเก็บไว้เป็นของวัดไป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 เราก็ต้องเอาเงินตอนนี้ไปให้อีกที่หนึ่งอย่างนี้แล้วก็บอกคุณแล้วก็ไปให้ขขงเองเนะหลงก็ลงปีนนี้ก็ลงอยากจะไม่รับเมื่อก่อนเราจะเป็นคนรับผ้าด้วยป็ น, นี้จะไม่ไม่รับท้าเไป็นใหญ่เลยลงไปถวายที่ไหนอย่างเดียวก็ให้พระลูกอื่นเขาเป็นผู้รับผ้าแทนไปแต่พระก็ได้แต่ผ้าเท่านั้นแหะแต่ั่ใจเงินทองก็ไปที่คณะกรรมการ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 เนืระะอสมาคารวะก็จะได้ในลักษณะนั้นพอาจารย์คะขออนุ ญ, ญาตถามอีกคนึ่งค่ะแล้วอย่างคาถาต่างๆนี่นะคะซึ่งอาจจะเป็นของหลวงพอ่อหลอ์อะไรอย่างนี้นะคะซึ่งถ้าเป็นผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ยเราควรจะนำมาท่องแล้วก็อะไรหรือเปล่าคือคาถาต่างๆนี่ <c oughs> ในทางพุทธศาสนานี่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้าเราเข้าใจความหมายก็จะเป็นปัญญา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 เราเสียเวลาวันละแปชั่วโมงอาทิตยลาห้าวันเพื่อจะได้เงินมาไม่กี่พันกับการเอาเวลาทั้งหมดนี้มานั่งสมาธิแล้วได้ความสงบนี้มันคุณค่ามันต่างกันมากค้าสงบนีันวันล้านก็ซื้อไม่ได้คิดอย่างนี้ว่าเฮ้ยมันก็เป็นอุบายของนักป่าหรอใไอ้พวกโลโก้หรือเงาทุบเงาที่อยากจะรวยเนี่ยให้รวยจริงจริง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 เพื่อที่จะหาะไรายได้มาถึงเจือเวลาก็หมดไปมากงนเวลาที่จะมาปฏิบัติแบบนักบวชมันก็เลยมีน้อยการว่าส่วนใหญ่จะทำได้แต่ขั้ น, ข, นขั้นแรกก็คือทานยวก็สีก็อาจจะได้บ้างไม่ได้บ้างส่วนภาวนานี่ก็แทีจะไม่ก็ได้เลย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 มั น, นพูดยาวนะวันนี้ดีนะมีคนมีคนมากระทุงให้เสอข้อคิดจะได้มีเรื่องพูดได้ สบายคอใหได้นว่าเอมมการที่รนั่มาธิอะค่ะปวดจะแบนั่งก็เล่อยปวดท่หร่แต่พอตอนนั่งเนี่ยนั่งก็ปวดแต่ว่าปวดประมาสักปะมสี่สินทีแล้แต่ละนวั่งเรื่อยๆนกรทคพกหนดแต่ว่าตอนีนั่งเนี่ยมันก็จะแบบว่าพอเราปวด้ากเนี่ก็จะบอกว่าแล้วก็มองไปที่อ่าตีเพรมันเป็นดินน้ำลมไบทแล้วก็ัวดรอยย้อมันแบว่ามันจะปวดจะยังไงก็ต่อเมื่อมันเปดินน้ำลมไเสร็จแล้วมันก็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 นี้เราอยากจะพักบ่อยก็ขึ้นอยู่กับการู้สึในตอนนั้นทีมันผ่านมายกงงานมันก็อาจะพักนน้ำน้าอะไรต่อก็งมันต่อได้อีกประมาณครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงนึก็แล้วแต่นะแลแต่แลแต่แลแต่ชั้นทวิริยะของเราก็แล้วกันถ้ามีชันทวิริยะมากก็อาจจะ อไปเลยทั้งคืนเลยก็วนาทั้งคืนเลยก็ได้แล้วเมื่อแล้วก็ลู้่จะเดินต่อทินาต่อเดินแล้วเมื่อก็จับไปล่างตไปชกมื่อภาวนามาอีกรอบหนึ่งแล้รอบทีบแล้วยังไม่มั่นใจก็เอาีกรอบนึงรอบคบรือเาอาํา ถ, ถ้ามันมั่นใจว่ารู้จักวิธีพิศนาทุ ก, กเวศนาแล้วไม่กลัวมันละต่อไปก็ไม่ต้องไปสู้กับมันก็ได้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 ต่อไปทุกครั้งที่ร่างกายเจ็บ ใ, ใจก็จะไม่เจ็บเ<ม>พราะใจไม่มีความอยากที่จะให้มันหายเจ็ บ, บมันเจ็บก็เจ็บไปหนูคิดว่าการนั่งปวดอย่างเงี้ยนักงสองสามเดือนสี่เดือนห้าเดือนแสดงว่านี่เราก็คือรู้สึกว่าความทุกข์กายเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติของใจ ไ, ได้แล้วง่ายๆด้วยค่ะโดยตราบใดที่ใจของเรารับมันได้เนี่ยไม่กลัวมันก็ใช้ได้เวลาต่อไปเกิดเจ็บ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 ที่ใจเราไปทุกข์กับมันอยากจะให้มันหายถ้าเห็นอย่างนี้มันก็จะเห็นครบทั้งทั้งสามส่วนเห็นใจแนละ้วส่วนที่สองคับได้สุดก็เห็นทุกข์ในใจมนาะ <c oughs> อันนี้แหละเป็นอริยสัเป็นดวงตาเห็นธรรมเป็นปัญญาโอเคขอบพระคุณเ้ค่ะเมือวานี้เกิดเกิดตูนพุทประบัติดูเลยนะคะูตอนภาที่พระเจ้าเสด็จออกจากพระคันของพระมารดาแล้วเดินมาเจ็ดเก้าแล้วชี้ดูบนบอกว่าเราเป็น ทีจะไกลับมาเกิดอีกแล้วในโลกแล้วเราเป็นผู้เลิศแล้วเราจะเป็นชาติสุดท้ายของเรารู้สึกผลหัวลุกสู้อะไรงี้กระจุดกะจายภายนอกภายนกที่กระขึ้นันี้เกิดจากภายในสยเพราะว่าใจเป็นผู้รักดูใจเป็นผู้รับดนีหยตันจะกระทบกับส่วนใดส่วนของใจที่แบบพีิตขึ้นมาือมันอาจจะเป็นการเสริมศรัทธาที่เรามีอยู่แล้วให้มีความ มั่นมังมากขึ้นแต่ถ้านราเกิดความกิแต่ความสุดขึ้นมาใครดูไปนลุกนพองตลอดเลยอาจารย์ฮัชาตพวกเราเกิดเป็นเทพมิ้าอาจารย์จะไม่ตาตามไปสอนเหมือนก่บถูกเปรียบเลยค่ะตรงกันเลยค่ะขนาเป็นมนุษย์ยังไม่ตามเลย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 มันมีเหตุการณ์าอย่างที่เกิดขึ้นกับโยงนะคะอย่างเช่นที่เรานั่งรับไปเนี่ยใจเให้รู้จากงนี้เดี๋ยวนี้แล้วในยุคนั้นโต๊ะรถชนตนั้นพอดีค<ม>่ะนี้อยากรู้อันนี้เกิดจากความบันดาลว่าเกิดจากจิตที่มันอั น, นี้เกิดขึ้นมาอาไม่รู้นะจะจะเกิดยังไงก็ช่มดแล้วก็รู้ว่ามันเกิดถ้าตัวเราเองไม่รู้เราจะรู้ได้ยังไงคือถ้าเรามีประสบการณ์คล้ายกันแล้วก็จะบอกได้แต่เราไม่มีประสบการณ์งนั้น <c oughs> แต่เรามีประสบเออคล้ายๆกันแต่ว่าเมือทีเราคิดถึงเรื่องอะไรเนี่ยมันมักจะเกิดขึ้นมายอยู่เลยแดงอยู่ตรงนี้นะเช่นถ้าเราไม่ใช่ว่ว า, าขาดแคลนเรองการอะไรเนี่ยเดี๋ยวมันแม่นามันจะมาเดี๋ยวนรอท่านเดี๋ยวร่านี่นนนอาจจะเป็นเทพได้ได้ได้ไดฟังข่าวแล้วเขาก็จะส่งข่าวให้เข้าฝันให้คุณนี่ขึ้นเลย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 ก็ต้องการลายท้าต้องการนั่นก็ลงนี้เถอะแต่พอไม่คิดพอไม่คิดจะทาเนนานเลยไม่เคยมาเลยพอทำเสร็จแล้วไม่เคยมาเลยแทงงาไม่มีมาเพิ่อทางเดิมไม่มีใครมาทำอะไรเพื่มเลยเมื่อไหรท่านจะคิดทํากุติีคะพนั่งนั่งสมาธิไปแล้วกันที่ว่าเหมีอนกบเรานั่งสมาธิแล้วเกิดอาการเจ็บปวดของรางกายขึ้นมาแล้วก็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 ดีไหมดีนะเจ็บเจ็บแล้วก็มีความสุขสบายถ้อมองอย่างนี้เราจะไม่ไม่ทุกขนะ์แะแต่ถ้าอยากจะให้หายอยากจะหายเร็วๆอยากจะไปทำนู่นทำนี่มันก็จะทุกข์ทรมาร์ดจังเพราะมันทําไม่ได้นะวันนี้ก็พูดเรื่องนี้เมื่อกี้เทศธัญญาอยู่ว่าพูดเรื่องเรื่องความเจ็บไข้เนียส่วนความเจ็บทางร่างกายเนี่ยเราต้องปล่อยวางมันนะโอเคนะ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 ฉันทะวิริยะที่จะสงเคราะห์โลกเพราะด้วยความสงสารเห็นว่ายังมีผู้ที่พอที่จะรับคำสอนได้เนื่องจากมีพระถ้ามหาพรมได้มาขออาราธนาให้ได้ส่งโปรดสั่งสอนแก่สามโลกพระ ก, ก็เลยส่งตัดสินพระทัยที่จะไปโปรดไปสั่งสอนก็เลยเลือกคนที่จะสามารถรับคำสอนนี้ได้อย่างรวดเร็วก่อน